วาระที่ต่อไปนะวาระอวัดด้วยวิหารวิหารของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งโยศก็คือรัศมีประมาณเกือบ20กิโลเมตรเนี่ยนะกิโลเมตรนะนะตารางกิโลเมตรแปลว่าวัดใหญ่มากเพราะอะไรเพราะคนยุคนั้นตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยนะส่วนของพระสิกขีก็ลดลงมาเป็นสคาวุธพระเวสภู นะสาคาวุฒก็ประมาณ12กิโลเมตรเนี่ยนะพื้นที่รับประมาณ12กิโลเมตรพระเวสสภูก็พื้นที่บริเวณวัดก็ประมาณ8กิโลของพระกกุสันท้ก็ประมาณคาวุฒิหนึ่งก็ประมาณพื้นที่4กิโลพระโกนาคมนะ ก, ก็เึ่งคาวุฒก็พื้นที่บริเวณวัดประมาณ2กิโลส่วนพระกัสปะก็20อุสภะเนี่ยนะก็ลดน้อยถอยลงมา ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ16กกรีด ก, ก็คือบริเวณวัดไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนโดยวัดตามปกติแกรีดโดยวัดหลวงอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอพื้นที่วิหารว่าวัดมีกี่ไร่วัดมีกี่ไร่มีพื้นที่ที่สร้างวัดของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยใหญ่ไหมส่วนการซื้อซื้อซื้อที่วัดเนี่ยนะซื้ออย่างไร าว่าที่วัดแต่ละแห่งของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยนะเศรษฐีที่อุปถากนั้นกว่าจะได้สถานที่สร้างวัดนั้นได้มาอย่างไรเศรษฐีทั้งหลายให้ช่างทองเนี่ยนะเศรษฐีอุปถากของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยให้ช่างทองทำอิดทองคำเนี่ยนะยาวหนึ่งศอกกว้างหนึ่งคืบสูง8นิ้วปูโดยส่วนขวางไม่ใช่ปูแบบนอนปูนะขวางปูอ่ะ เพื่อที่จะซื้อสร้างที่อยู่ถวายเนี่ยซื้อสถานที่ตรงนี้เนี่ยถวายใช้ทองคำไปกี่ตนเนี่ยใช้ทองคำมากมายกว่าจะซื้อที่สร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระสง์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสำหรับเศรษฐีอุปถาของพระพุทธเจ้าสิขีเนี่ยนะปูด้วยผานไม้เศร้าทองคาแล้วก็ใช้ไม้เศ้าทองคำเนนะ เป็นราคาในการเอ่อคำว่าเป็นตัวทรัพย์สินในการซื้อสถานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกีส่วนเศรษฐีอีกท่านหนึ่งนะที่เป็นเศรษฐีอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเวสภูนั้นให้ทําเท้าชา้างเนี่ยนะทำทำเป็นรูปบล็อกเป็นคล้ายๆเท้าชา้างของคำเนี่ยปูโดยขวางและซื้อสถานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าเวสภู ส่วนเศรษฐีอุปถากของพระพุทธเจ้ากบกูสันทะนั้นปูด้วยอิดทองคำคลายคลกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั่นแหละปูถวายพระพุทธเจ้ากะกูสันทะส่วนเศรษฐีอีกท่านหนึ่งก็ปูด้วยเต่าทองคำนะนะเป็นค่าซื้อสถานที่ถวายพระพุทธเจ้าโกนาคามนะเศรษฐีอีกท่านหนึ่งก็ปูด้วยทองแท่งนะเอาทองแท่งนเนี่ยมาปูเป็นการซื้อที่ถวาย พระพุทธเจ้ากัสสะส่วนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะปูกหาปณะมีเครื่องหมายซื้อถวายแด่พระพุทธเจ้าของเราก็ใช้ประมาณเท่าไหร่ซื้อที่สิบแปดโกดเนี่ยนะเอาไปเกลียเอาไปปูบริเวณสถานที่ซื้อเนี่ยซื้อเจ้าเชิซื้อเจ้าเชินั้นหมดทั้งหมดอ น, นะค่าซื้อสถานที่นั้นก็ประมาณสิบแปดโกดเนี่ยนะในการสร้างวิหาร อุปถาคผู้ซื้อพื้นที่ที่ถวายเป็นพระวิหารแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ละองค์ะนะชื่อของเศรษฐีอุปถาคเช่นเศรษฐีที่อุปถาคพระพุทธเจ้าวิปัสสีชื่อว่าปุณพะสมิตะนะเจ้าของวัดที่สร้างวิหารถวายเป็นพุทธบูชาส่วนเศรษฐีสิริวัถถาเนี่ยสิริวัถผู้เจริญด้วยสิริเนี่ยซื้อพื้นที่ถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิกขีเศรษฐีชื่อว่าโสธยะซื้อที่ถวายพระพุทธเจ้าเวสภูเศรษฐีอจจุตะซื้อสถานที่ถวายพระพุทธเจ้ากะกุสันทะเศรธีอุคะเซื้อที่ถวายพระโกนาคมาณะพุทธเจ้าเศษฐีสุมาณะซื้อที่ถวายพระกัสปะส่วนเศรษธีสุทัตตะอันนี้ชื่อจริงชื่อว่าสุทัตะแต่เนื่องจากว่าให้ทานแก่คนยากมากก็เลยชื่อว่า อนาถาบินธิกะเนี่ยนะเรียกว่าวก้อนข้าวของคนอนาถาทั้งหลาย น, นะจริงชื่อเดิมท่านชื่อว่าสุทัตตะนะซ้ซอสถานที่ประมาณสิบแปดโกฎธถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าของเราอันนี้พูดถึงวาระว่าด้วยเศรษฐีมหาสาลเศรษฐีที่ร่ำรวย น, นะที่เป็นผู้บำรุงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงเป็นนิด์เนี่ยนะส่วนมีสถานที่อีกสี่แห่งเนี่ยนะที่ พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ละเว้นไม่เว้นเลยเนี่นนยนะคือสถานที่จะเว้นเสียมิได้ไม่สามารถขาดได้สถานที่สี่แห่งก็คือโ พ, พธิบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะเว้นไม่ได้แม้แต่องค์เดียวเนั้นบริเวณตําแหน่งที่พระพุทธเจ้ากะปุสันทโกนาขมนะกัสปะพระพุทธเจ้าของเราหรือพระพระสิริยะเมตไตรจตรัสรูุ้ข้างหน้าก็ตรัสรุในสถานที่เดียวกัน ต้นไม้เว้นได้ไม่จำเป็นต้องต้นเดิมนะต้นอื่นๆเช่นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนต้นไซพระพุทธเจ้าของเราต้นโพเียก็คือปละต้นกันหรือสถานที่ที่แสดงพระธรรมจักรในป่าอิสิปตนะมฤุกขทายวันเว้นสถานที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นที่เดียวกันนะสถานที่ประทับนั่งแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตร และสถานที่ที่ลงจากเทวโลกเนี่ยที่วางพระบาทครั้งแรกฝ่าพระบาทครั้งแรกข้างขวาเนี่ยจะต้องวางในตำแหน่งที่เดียวกันก็คือที่ไหนที่ประตูเมืองสังกัสรนครตอนที่พระองค์ลงจากเทวโลกและที่สุดท้ายก็คือเท้าที่ตั้งตำแหน่งตั้งเตียงอ่ะนะที่ตำแหน่งที่ตั้งขาเตียงเนี่ยในบริเวณพระคันธกุตีในพระเชตวันวิหารเนี่ยจะต้องเป็น ที่เดียวกันน่นะกุติใกล้กันพื้นที่บริเวณวัดเนี่ยนะไม่เท่ากันของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยนะวิวัดของพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ใหญ่วิหารของพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ไม่ใหญ่แต่สถานที่เนี่ยสถานที่ที่ตำแหน่งที่ตั้งวัดเนี่ยเว้นไม่ได้คือถือเอาจงจุดกุติพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะนั้นจึงสถานที่สร้างวัดนั้นเว้นเว้นไม่ได้จะต้องเป็นที่เดียวกัน แต่เมืองเนี่ยนะเมืองเนี่ยไม่จำกัดว่าจะต้องตำแหน่งอยู่นะณจุดตรงนั้นอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยนะเมืองอยู่ที่ตะวันออกวัดอยู่ด้านที่ตะวันตกนะมีอยู่ครั้งหนึ่งบางทีเมืองอยู่ทางทิศใต้วิหารอยู่ทิศเหนือบางทีเมืองอยู่ที่ตะวันตกวัดอยู่ด้านที่ตะวันออกบางทีเมืองอยู่ด้านทิศเหนอวัดอยู่ด้านทิศใต้อย่างเช่น พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเมืองอยู่ที่ไหนเมืองอยู่ทางทิศเหนือวัดอยู่ทางทิศใต้เนี่ยนะเมืองสาวัตถีนี่อยู่ทางทิศเหนือของเชตวันะนะวัด <an> <ool> พระเชตวันอยู่ด้านที่ใต้ของเมืองสาวัตถีแต่บางทีตําแหน่งวัดนี่จะเป็นที่เดิมบางทีเมืองก็ล้อมรอบนะของแต่ละองค์เนี่ยไม่ไม่ตําแหน่งไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เหมือนกันอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นมีความแตกต่างกันอยู่ห้าอย่าง พระพุทธเจ้าแต่ละองค์นะตั้งแต่พระพุทธเจ้าวิปัสสิสิกีเว ส, สภูกะกูสันทะโกนาคมนากรสปะเนี่ยนะไม่ได้เหมือนกันไปทุกอย่างอายุไข่ก็ต่างกันปริมาณความสูงแห่งสรีระก็ต่างกันชาติตระกูลก็แตกต่างกันความเพียรพยายามรวบรวมโพธิปักจยธรรมเพื่อให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็แตกต่างกันพรตศมีที่แผ่สร่างออกจากพวรากายก็แตกต่างกัน เช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์ที่มีพระชนมายุยืนบางพระองค์เนี่ยมีพระชนมายุน้อยอันนี้ความต่างการแห่งอายุเช่นพระพุทธเจ้าพระนามวัทีปังกรเนี่ยนะเมื่อสี่อสงไขยแสนกับที่แล้วพระองค์นั้นมีพระชนเกิดในยุคมนุษย์อายุแสนปีในยุคของพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุร้อยปีเนี่ยนะก็ห่างกันเยอะนะเลขศูย์หายไปกี่ตัวเนี่ยเลขศูนย์หายไปสามตัวเลยนะ ต่ว่าไม่มีค่าก็ไม่ไดไ้หายไปเยอะเลยอยู่น้อยนิดเดียวนะั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนั้นเกิดในพระสมัยที่ชนทั้งหลายมีอายุยืนมากนะก็แสดงว่าแต่ละยุค ข, ของพระพุทธเจ้าที่มาเกิดนั้นอายุใคไม่ไม่เหมือนกันเพราะบางองค์แต่ว่าอยู่ในระหว่างไม่เกินกว่าแสนไม่ต่ำกว่าร้อยเนี่ยนะก็อยู่ในระหว่างนี้แหละ ส่วนปริมาณแห่งสรีระเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์นี่ก็สูงบางพระองค์ก็เตี้ยลงมาเช่นพระทีปังกรพุทธเจ้าพระสูงประมาณ80ดิบศอกพระสุมาณะพุทธเจ้าสูงประมาณ90สบศอกแต่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายสูงประมาณสิปดศอกพระพุทธเจ้าบางพระองค์นั้นเกิดในตระกูลกษัตริย์บางพระองค์นั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์อันนี้ก็คือ ก็แล้วแต่ว่ายุคไหนเขานับถือกษัตริย์มากพระองค์ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์ถ้ายุคไหนเขานับถือพราหมณ์มากแม้แต่กษัตริย์ก็ยังนับถือพราหมณ์ยุคนั้นพระโพธิสัตว์ก็จะเกิดในตระกูลพราหมณ์ความเพียรรวบรวมโพธิปัจขยธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันบางพระองค์เนี่ยสั้นมากใช้เวลาเพียงเจ็วันนับแต่วันออกบวชเจวันก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบางพระองค์ก็ยาวนานมากเช่น พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี่ก็ใช้เวลาภาคเพียรพยายามอยู่หปีในการรวบรวมโพธิปัจจะธรรมจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันบางองค์สิเดือนบางองค์เก้าเดือนบางองค์แปดเดือนเ็ดเดือนหเดือนเนี่ยนะก็แตกต่างกันไปแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะนี่เจดวันเนี่ยนะเพราะว่าอินทรีของพระองค์นี้แก่กล้ารัศมีรัศมีคือพระ รังสีที่แผ่ซ่านออกจากะวรากายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ก็แตกต่างกันเช่นพระพุทธเจ้าสุมังคละเนี่ยมีรัศมีซ่านออกจากะวรากายไปตลอดหมื่นโลกธาตุส่วนของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายประมาณหนึ่งวาโดยรอบอันนี้วาเดียวโดยรอบอันนี้เรียกว่าความแตกต่างแห่งรัศมีคือรังสีที่แผ่ซ่านออกจากผวรากาย แต่รังรักผูทธรังสีหรือรัศมีที่แผ่ซ่านออกจากภวากายนี้ถือว่าเป็นไปตามพุทธประสงค์เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระองค์ประสงค์เท่าใดรัศมีก็แผ่ซ่านออกจากภวากายแผ่ไปเท่านั้นถ้าพระองค์ประสงค์ให้ให้แผ่ออกไปแค่วาเดียวรัศมีก็จะอยู่แค่วาเดียวหรือพระองค์ต้องการปกปิดรังรัศมีของพระองค์ก็ปิดได้เช่นห่มจีวรแล้วก็ทับว่า รัศมีก็เหมือนกับว่าถูกปกปิดไปนนะพันรัศมีจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุมังคละเนี่ยแผ่ไปหมื่นโลกธาตุเป็นนิดอันนี้เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่ในด้านพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้น ไม่มีความแตกต่างกันเลยว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเป็นพระอาหารหันต์ปรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพ ร, อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกะนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นต้องเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า มีพานามเรียกขานกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้จําแนกแจกแจง พ, พระธรรมมรัตนะเป็นพระตถาคตเป็นต้นเนะนี่ยนะัพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นมีพระพุทธคุณทั้งหลายไม่มีความแตกต่างกันเลยเหมือนทองคำที่มาจากเบ้าหลอมเบ้าเดียวกันเนี่ยนะหักตรงกลางฉะนั้นไม่มีความแตกต่างกันในด้านเนื้อในว่างั้นศีลคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ทุกองค์เป็นเช่นเดียวกันหมด พังศีละคุณของพระพุทธเจ้าของเราเช่นใดของพระพุทธเจ้าทีปังกรก็เช่นนั้นสมาธิคุณของพระพุทธเจ้าทีปังกรเช่นใดสมาธิของพระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเช่นนั้นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าของเราเช่นใดปัญญาของพระพุทธเจ้าทีปังกรก็เช่นนั้นสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนสติสัมปชัญญะทุกประการเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นไม่มีความแตกต่างกันนันะเสมอกัน ด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายแต่ว่าแตกต่างกันเรื่องอะไรเรื่องเกิดในยุคสมัยเรื่องอายุไขแตกต่างกันในเรื่องปริมาณส่วนสูงแห่งสรีร ะ, ะชาติตระกูลใช้เวลารวบรวมโพธิปัขจะธรรมให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธรังศีที่แผ่ซ่านออกจากพวรกายเนี่ยนี่แตกต่างกันบ้าง